ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กำจรนมนุนปิจุที่เป็นสภานายกหมหาวิทยาลัยคอนแก่นเนี่ยแต่ก่อนท่านอยู่ที่มหิดลงานครบทําบุญห้าสิบวันหลวงพ่อเทียนนะที่วัดสนามในก็มีด็อเตอร์กำจรเป็นคนดำเนินการเสวนามีอาจารย์วิรัต อาจารย์วิรัติเอเป็นพระวิรัตวิรัตโนเป็นพระเป็นหลานหลวงพ่อพุทธทาตุนะมาพูดธรรมะแล้วก็มีอาจารย์สมทรงพุญญาลิทธ์ที่เป็นคนสอนภาษาไทยให้หลวงพ่อเนี่ยแล้วก็มีอมรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุภาพันธ์นวะังช้างตอนนี้ก็บวชนะบวชจบบาลีบาลีสันสกิตจากศรีลังกา เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะเป็นผู้หญิงแล้วก็มาบวชอยู่ที่วัดผาลาดที่เชียงใหม่แต่ท่านจะคล่องนะคล่องตำรับตำาคล่องอะไร น, นี่พวกนี้จะรุนน่นแะอาจารย์โควิดพวกเนี้ยอยู่ด้กันพวกปฏิบัติทมบางทีอย่างเคยคุยเคยเสยวนากันนะก็หมู่กับครูบาอาจารย์พวก ติดกามแบบผมเนี่ยพวกหนึ่งจะบวชบวชไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะสึกสึกพ่อเลยเพราะว่ามันไปไม่รอดเรื่องกามเขาก็จะสึกออกไปแบบฆราวาสไปเรื่อยๆแบบโรคคลาวาดหลายคนนะที่บวชบวชมาเนี่ยแล้วก็อ้างโน่นน้างนี่แล้วก็สึกไปเอ้ยฆราวาสก็ปฏิบัติทำได้เหมือนกันนั่นแหละริงพวกนี้ไม่ผ่านกรรมแล้วกลับไปอยู่ทางโลกก็อยู่ไป คือมันมันง่ายไงทางโลกนี่คือมันไม่จำกัดมันไม่บีบคันไม่มีอะไรก็ใช้ชีวิตอยู่ได้แบบง่ายๆคนไม่รู้นะแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ากามแบบพรมพวกติดการแบบพรมพวกติดโงก็กไปอยู่ทางโลกนะก็พูดธรรมะธรรมงมก็เหมือนเข้าใจอะไรได้ดีนะแต่คนก็จะชื่นชมนะเมื่อทีคนทางโลกเนี่ดียังไงก็ตามนะ แต่ข้อวัดปฏิบัติเนี่ยมันไม่เหมือนพระบางทีนี่อย่างเช่นที่เราคิดว่าโอ้คนคารวะเนี่ยพูดธรรมะธรรมโมนันนีได้รักซึ้งอะไรประมาณเนี่ยลองมาปฏิบัติทำแบบนี้ลองดูดิลองตื่นดึกลุกเช้าลองขยันขันแข็งลองทําแบบนี้ได้ไหมเนี่ยขีดวัดเนี่ยลองอดลองทนได้ไหมแทนที่วันมะ น, นึงจะคิดถึงเรื่องปรัชญามาพูดคุยประทับใจมันอาจจะสู้ การเสียดสีทางอารมณ์แบบนี้ไม่ได้โดยซ้ําไปอ่ะนั้นนักโพสต์นักบวชในการงดเว้นไม่ได้หวายงดเว้นแต่คลองเรือนนะนะคือศักยภาพของพระสงฆ์ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณภาพของจิตด้วยมันต้องฝืนอารมณ์ตัวเองบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่กับคนโ น, น้นคนนี้ไม่ถูกใจหุดหยิด ต, ติดอารมณ์กับคนโ น, น้นคนนี้ก็สื่ขาราเบ็ไปอยู่ใน ในกรอบของคารวาสรู้สึกว่าอยากไปอยากมามันง่ายไอ้ความอยากไปอยากมามันง่ายเป็นกิเลสแบบหนึ่งนะเขาไม่รู้เท่าทันแต่คนทางโลกนี่เขาจะอัศจรรย์มันอาจจะดีอ่ะแต่ดีในระดับหนึ่งแต่เวแต่ว่าธรรมะขั้นสูงเนี่ยคงจะยากมันไม่ใช่ง่ายนะทีนี้ถ้าเราอยู่ในร่มผ้าเหลืองเนี่ยยังไงก็ตามนะมันยังเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอุดมปเภทอยู่ดี ถ้าคนไหนมีความลึกซึ้งในอัตในธรรมเนี่ยมไม่ได้หมายว่าโอ้ยไม่อยากอยู่ในผ้าเหลืองธรรมะที่ไหนก็มีเหมือนกันแล้วมันอยู่ในใจนประมาณนั้นส่วนมากพวกเนี้ยไม่ผ่านอารมณ์กมรมบลาคะกรมวิันทะอะไรพวกเนี้ยจะติดอยู่พกเนี้ยแต่ออกไปแล้วเจอปัญหาอะไรไปอีกเรื่องหนึง่งแต่รแยะที่อยู่เนี่ยคือสู้อันนี้ไม่ได้สู้ความคิดตัวเองไม่ได้ คืออย่างอยู่ในระบบที่การขัดเกลาในพรห ม, มจรรย์นเนี่ยอยู่กับหมู่กับคณะกับเพื่อนกับฝูงกับอะไรที่ปฏิบัติเนี่ยอยู่ไม่ได้หรือไปอยู่ในสํานักอื่นก็อยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่บ้านคนเดียวดีกว่าอยากตื่นตอนไหนก็ตื่นอยากลุกตอนไหนก็นลุกอะไรประมาณเนี่ยอยากกินอะไรเราก็ทำง่ายสะดวกสบายมันก็มีอะไรในชีวิตที่อยู่ง่ายๆแต่ความง่ายๆแบบนั้นไม่ได้เกิดการจากการขัดเกลวอะไรมากมายมันเป็นความสะดวกแบบหนึง่งนะแต่คนก็ชื่นชอบนะ บางทีแต่ธรรมะในมองมันไม่มีความอัศจรรย์อะไรเลยนะถ้าจะมองเห็นว่าเอออย่างพระอย่างเนที่เขาฝึกอยู่วัดในวัดป่าเขามีความอดทนมีขันติมีวิยาอุตสาหะอะไรประมาณนั้นโอ้บางทีนี้ยังดีไอ้ที่แย่ๆในวัดในบางทีดีกว่าฆรวาสนะดีกว่าคราวสที่พูดธรรมะโดยซ้าไปอะ่ะแต่ก่อนไม่คิดว่าเอ๊ะทาไมโยมเขาปฏิบัติดีกว่าพระกว่าเนนนะ แต่ทำไมพระพุทจ้าบอกว่าคารวะยังสู้เนียนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ทําบุญทาทานอะไรประมาณนีน้คือถ้าไปดูในกระบวนการการฝึกฝนการขัดเกลากาันพัฒนาตัวเองเนี่ยดูในที่ปฏิบัติธรรมนี่ยมันมีศักยภาพสูงกว่าไม่ว่าด้านไหนอ่ะถ้าอยู่ทั้งโลกนี่เรายัางไงก็ได้นะยังไงก็ได้อยากอยู่ยังไงยังไงก็ได้อยากสะดวกสบายอยากะไรก็ได้เป็นเรื่องของเราอะไรประมาณเนี้ย จะเข้าสู่ระบบการวัดผลเนี่ยจะลำบากทะเดียนะดังนั้นมันยังมีเงื่อนไขยังมีเหตุปัจจัยหลากหลายนะที่เป็นตัวชี้วัดคุณธรรมในตัวของบุคลคลคนนั้นนะเคยคุยกับพระมหาเทีละองค์หนึ่งแสดงความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคนที่บวชในวิธีการหลุมพ่อเทียนเระบอกว่าเข้าใจันนั้นนี้และสื่อารลเพีไปเสวยแบบโลกโลกหรประามาณเนี่ย ก็คุยกันถามกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปก็คุยเออมีความเห็นเหมือนกันนะเหมือนกั น, นะ น, กนคือผู้ติดการแบบพรมเท่านั้นเองแต่เขาก็ก็คือจะได้จากกันยอมรับนับถือจากคนหลายหลาคนนะที่เขาไม่รู้คนที่ไม่รู้ก็มันมันก็ไม่ต้องบอกว่ามันไม่ดีมันก็ดีดีสาหรับเขาที่เขารู้แบบนี้ ก็ต้องศรัท ธ, ธาคนแบบนี้รู้ไ ป, ปนี้ก็ศรัท ธ, ธาคนไปนี้รูป้ไปนั้นศรัท ธ, ธาก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อๆรืยๆเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าเรารู้เยอะกว่านั้นล่ะมันก็จะมีความเข้าใจไปอีกแบบหนึง่งนะเหมือนเรื่องบาปเรื่องบุญนี่แหละทางโลกก็ว่าดีที่สุดอะทำบุญทำทานเนี่ยแต่เวลาเราเข้าใจสจั็จจะทำที่สูงกว่านั้นเราก็ไม่ได้พูดไม่ได้ตํำหนิติดติงเขาใ น, นเรื่องบาปเรื่องกรรมอะไรประมาณเนี้ก็ไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีอ่ะ แต่ก็เอ่วางไว้นั่นแหละคนที่ยังมีความเข้าใจคนที่มีความชอบอะไรอยู่แบบนั้นก็เออชอบไปเถอะอะไรประมาณนั้นไม่ได้ว่ามันคือจะดีสาหรับคุณอยู่แบบนึงแต่เมื่ อ, อไหร่ที่คุณเข้าใจสัรธรรมมากกว่านั้นคุณก็จะเกิดปัญญาอีแบบนึงคือทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นเหตุปัจจัยของการเข้าใจธรรมะของการเกิดศรัทธาอะไรได้อยู่หลายระดับเพียงแต่ว่ามันระดับไหนเท่านั้นเอง อ้าวมูนานะไป